ไม่ไหหนักเราสั่งชัดเจนนะเพราะมันนีเป็นเรื่องสังคกิจสังขกรรมเราเลสั่งจังอย่างชัดเจนแน่แล้วก็จงใจเต็มที่แล้วคอยฟังเรื่องนี้อีกด้วยนั่นมันก็มันก็เห็นความเคลื่อนค้าแล้วอย่างกับตลัปัดเลยเนี่เห็นไหมวานเราบอกการสวดพระหนุมวกอย่าสวดดึกหนักนี่ก็บอกอย่างวันนี้ก็บอกแล้วว่า หนึ่งสูวเดียวก็ให้ตีห้าคร่งหรือตีห้าสามตีห้านาีเราไม่ลงไปยเาบอกเรื่องนั้นฉัน่องหมกฉันทาด้วยพ่อเอวมาวันนี้ฉันจังโมจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วพอเห็นมีอาการแปลกอยู่เราเลยไม่แน่ใจฉันได้สั่ง เ, เวลาให้บอกแล้วไม่บอกเลยเป็นพ่ออะไรลานถึงไม่บอก ผมบอกเหตุผลมาสิเป็นเพราะอะไรถึงไม่บอกคําสั่งนี้เป็นคําสั่งของผมสั่งกับท่านแต่แท้ผมจําได้ผมไม่ลืมถ้าที่ท่านไม่รับมาปฏิบัติตามนั้นเพราะเหตุผลดวงกายอะไรนะว่าสิหรือพูดคําพูดผมมันไม่มีเหตุผลหรือไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ควรจะ ก, การที่จะรับมาปฏิบัติเลยหรือถ้าว่างีเหตุผลเป็นเพราะอะไรท่านถึงไม่ปฏิบัติตามว่าดสิ แล้วใครเป็นคนใหญ่อยู่ในสังคมมนุษ น, น, นี่ใครเป็นคนใหญ่เอาว่ามาสิเพราะว่าผมเี็ตัวเป็นป น, นั่นอยู่ยายกูอยู่ในสังคมมนุษย์นี่ผมเป็นจะเอาว่าทน่านรู้ไหมแล้วใครใหญ่อีกเอาว่าอีกเดี๋ยวมาพูดนั่นนี่นี่เหตุผลนี่ไม่มีเลยนี่ยิงย่งหยุดทาลายจะของไปเลยนะผู้ใหญ่ไหนจะไม่เชื่อเอาว่าสิ นี่มันเป็นอย่างนี้เองมันหาเหตุและผลไม่ได้เนี่ยท่านไปจากวันวนอด ว, วันวันนี้อย่าอยู่นะผมรับมาได้แล้วอย่างเนี่ยผมเองคนสั่งมาด้วยความเจตนาจงใจเต็มที่เกี่ยวเรื่องสังกมลทุนด้วยไม่ใช่ธรรมดานะท่านยังไม่ยอมปฏิบัติตามเลยเนี่ยสมควรเลยที่จะอยู่ต่อไปไม่สมควรต้องท่านต้องออกไปจะอยู่นะมันเป็นตัวอย่างอันเลวที่สุดแหละ ย, ยังมาหาเรื่องอยู่ว่า กลัวผู้ใหญ่ยังไม่เชื่ อ, อ น, นี่แล้วผู้ใหญ่ที่ไหนอีกผมเป็นหัวหน้าสงฆ์ในวัดนี้เป็นผู้สั่งใครเป็นผู้ใหญ่อีกเ้าแล้วคุณชวน